ลักษณะของแม่น้ำและทะเลในข้อความตอนที่แล้วมาข้าพเจ้าได้กล่าวถึงภูมิประเทศที่มีแม่น้ำสายต่างๆอยู่ด้วยบางท่านอาจสงสัยว่าแม่น้ำเหล่านั้นไหลยอย่างไรซึ่งข้าพเจ้าก็จะขอตอบว่ามันก็ไหลยอย่างเดียวกันกับแม่น้ำในโลกมนุษย์นั่นเองคือขั้นแรกก็เป็นลําธารน้อยๆมีน้าใสไหลริน และต่อมาก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นแม่น้ำและไหลออกสู่ทะเลในแง่นี้ไม่มีอะไรพิสดารนอกเหนือไปจากแม่น้ำทั้งหลายในโลกมนุษย์เลยแต่เมื่อเทียบถึงลักษณะกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าวิเศษกว่ากันมากราอแม่น้ำทั้งหลายของโลกทิพย์จะไม่เป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเลยและในขณะเดียวกันก็จะไม่ขุ่นเป็นตมด้วยนอกจากนั้น ก็จะไม่มีบ้านช่องที่รกรุงรังตั้งเกศ ก, กะให้เห็นตามชายฝั่งทั้งสองข้างไม่มีเรือค้าขายขนาดต่างๆจอดเข้าอู่ซ่อมกันอยู่ตลอดแนวเลยในที่นี้เราไม่มีความต้องการจะใช้เรือใหญ่ๆขนาดที่เรียกว่าชีปเลยไม่ว่าจะเป็นเรือชนิดที่สวยงามสักเพียงใดก็ตามแต่เราก็ชอบมีเรือขนาดเล็กคือขนาดเรือบดหรือที่เรียกว่าโบดไว้บ้างเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีก็คือโรงงานต่างๆที่จะทำให้เสียความงามของภูมิประเทศชายฝั่งแม่น้ำไปเป็นอันขาดสิ่งที่มีอยู่ก็คืออาคารอันมโหลานตั้งตรงงานอยู่ภายในบริเวณสวนอันสวยงามน่าพิศวงมีแม่น้ำไหลคดเคี้ยวซอกซอนไปมาอย่างเอื่อยๆแสดงถึงบรรยากาศแห่งความสงบเย็นอยู่ตลอดกาลครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้เห็นแม่น้า ในลนักษณะดังกล่าวแล้วนี้ข้าพเจ้าเกิดไม่เชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่ไหลเลยคิดว่าเป็นแม่น้ำนิ่งๆอยู่เช่นนั้นแต่ต่อมาเมื่อสายตาเกิดความเคยชินแล้วจึงเห็นได้อันที่จริงถ้าลองสัมผัสดูก็จะรู้ได้เหมือนกันว่าเป็นน้ำที่ไหลอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่น้ำที่นิ่งหรือเป็นน้ำขังตายอยู่กับที่เลย เมื่อทัศนียภาพสองฝากฝั่งของแม่น้ํามีแต่ความสวยงามและร่มเย็นดังกล่าวมาท่านก็คงจะนึกวาดภาพได้ว่าการนั่งเรือบดลำเล็กๆ ล, ล่อยให้ลอยอื่ยๆไปกับสายน้ําเช่นนั้นจะทําให้เกิดความชื่นบานและรื่นรมสักเพียงใดเพราะเมือน้ําไหลอ ย, อย่างช้าๆจนเกือบดูไม่ออกว่าไหลเช่นนั้นแล้วเราก็จะสามารถเห็นเงาของหมู่ไม้ตามชายฝั่งและอาคารซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่เป็นระยะระยะนั้น สะท้อนแสงให้เห็นได้อย่างชัดเจนภายใต้ผิวน้ำหรือถ้าเกิดเบื่อขึ้นมาเราก็อาจขึ้นจากเรือแล้วเดินขึ้นบันไดหินอ่อนที่อยู่ตามชายฝั่งเพื่อขึ้นไปเดินทอดน้องเล่นและหันกลับมาดูความงามของระลอกน้ำอีกก็ได้หรือไม่ก็อาจจะท่องเที่ยวหามุมสงบลึกเข้าไปจากชายฝั่งจนกระทั่งถึงอุทยานอันรมครึมของมิสหายคนใดคนหนึ่งก็ได้ สิ่งที่น่าดูที่สุดของลำน้ําในที่นี้ก็คือความสามารถในการสะท้อนแสงสีต่างๆซึ่งเป็นประกายวาววับเปลี่ยนสีสันวันน้ไปเสมอ น, นั่นเองบางครั้งก็เป็นเสมือนฐานทองคําอันบริสุทธิ์เหลืองอร่ามไปตลอดสายน้ําทําให้เกิดมโนภาพว่าคงจะเป็นทองคําที่เหลวคว้างไหลล้นลงมาจากแดนทิพย์ต้นน้ำเฉะนั้นแต่บางคราวก็กลายเป็นสีเงินยวงขาวบริสุทธิ์ไปทั่วบริเวณทําให้จิตใจเยือกเย็นผ่องใสไปได้อย่างประหลาด ข้าพเจ้าเองเคยได้รับความอัศจรรย์ในปรากฏการณ์เช่นนี้มาแล้วในสมัยที่เพิ่งมาสู่โลกทิพย์ได้ใหม่ๆแต่เอ็ดวินได้อธิบายข้าพเจ้าฟังว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะท่านผู้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปในขณะนั้นได้ลงมาเยี่ยมเยียนสถานที่นั้นหรือบางทีก็เป็นเพราะท่านได้เคยผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งในอดีตแต่ประกายจากรัศมีอันบริสุทธิ์ของท่านยังคงทาบติดเหลืออยู่อีกแม้ว่าท่านจะได้จากไปแล้วก็ตามประกายสีต่างๆดังกล่าวแล้ว จึงเป็นผลสะท้อนที่เกิดจากรัศมีอันเป็นเครื่องหมายแห่งความบริสุทธิ์ของท่านทำให้สถานที่นั้นและบริเวณใกล้เคียงได้รับโอภาจากท่านไปอีกเป็นเวลานานจนกว่าประกายหรือโทษจากรัศมีของท่านจะถูกดูดซึมเข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นหมดแล้วสายน้ำก็จะปรากฏในลักษณะ ส, สีอันเป็นปกติของมันดังเดิมอีกครั้งหนึ่งเมื่อกล่าวถึงสายน้าที่มีแม่น้าลาทานมาแล้ว ก็คงจะต้องกล่าวต่อไปถึงทะเลเสียด้วยเขาพระเจ้าใช้คำว่าทะเลก็เพราะเพื่อจะหมายความว่าเป็นพื้นน้ามันกว้างใหญ่เท่านั้นเองเพราะที่เหมือน ก, นกันกับโลกมนุษย์ก็มีอยู่แต่ในลักษณะ น, นี้เท่านั้นแต่นอกเหนือนจากนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเมื่อมองดูเพลิ น, นจะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างแม่น้ำลำาลาธารและทะเลไมสูจะมีอะไรมากนักเพราะแต่ละอย่าง ก็มีประกายสีสันวันณนะตามแบบฉบับของตนเองเช่นเดียวกันจะปิดกันก็อยู่ที่ว่าเนื่องจากแม่น้ำเมียนาเขตระหว่างฝั่งทั้งสองแคบกว่าทะเลจึงสามารถสะท้อนภาพของภูมิประเทศชายฝั่งให้เห็นได้อย่างชัดเจนและมีการสะท้อนแสงเป็นสีต่างๆได้มากกว่าทะเลแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทะเลจะขาดแสงสีอันวิจิตรพิสดารเสียเลยเพราะขึ้นชื่อว่าน้าในโลกทิพย์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นน้ําที่ไหนก็ตามย่อมมีประกายสีสะท้อนออกมาให้เห็นเสมอดังนั้นทะเลซึ่งเป็นพื้นน้าอันกว้างใหญ่มหาศาลจึงย่อมไม่ขาดคนในลักษณะเช่นว่านี้เลยและนอกจากนั้นในทะเลยังมีเรือแล่นไปมาบ้างหรือที่จอดทอดสมออยู่เฉยเฉบ้างเป็นระยะระยะไม่ว่าเราจะแล่นเรือออกไปไกลสักเท่าใดก็จะไล่เห็นเกาะอันสวยงามอยู่ในระยะไม่ไกลออกไปเสมอ ซึ่งถ้าเราต้องการจะขึ้นไปชมความงามของธรรมชาติบนเกาะเหล่านี้เกาะใดเกาะหนึ่งก็ตามก็ย่อมกระทำได้โดยเสรีบางเกาะก็มีนกอยู่เต็มไปหมดซึ่งเราสามารถจะเข้าไปชมความงามของคนของมันซึ่งมีความวิจิตพิสดารต่างๆกันได้อย่างใกล้ชิดนกเหล่านี้ไม่ได้ถูกจำกัดเขตหรือถูกขังกรงไว้แต่อย่างใดมันมีอิสระเต็มที่ที่จะดาเนินชีวิตไปตามธรรมชาติของมัน และไม่ว่ามันจะบินเหินขึ้นไปในอากาศหรือว่าจะเกาะอยู่ตามพื้นดินก็จะไม่มีอันตรายใดๆมาแพ่ผ่านมันเลยดังนั้นมันจึงเป็นเพื่อนและเป็นผู้ต้อนรับอย่างดีแก่ทุกๆคนที่เข้าไปเยือนสำนักของมันเกาะนกนี้เป็นเกาะหนึ่งที่คณะของข้าพเจ้าชอบไปเที่ยวเล่นกันบ่อยๆเราจะนั่งลงบนพื้นหญ้าอน่ อ, อนนุ่มเป้าดูนกนานาพันธ์ ซึ่งมีขนสีต่างๆ่านสวยงามจนบรรยายด้วยคําพูดไม่ถูกเข้ามาวนเวียนอยู่ใกล้ตัวเราโดยรอบที่นกเหล่านี้ทําเช่นนั้นก็ไม่ใช่เพราะต้องการอาหารอย่างใดแต่เป็นเพราะต้องการแสดงออกซึ่งไมตรีจิตของมันอันมีต่อทุกคนที่เข้าไปเยือนเท่านั้นเองอันที่จริงนกทั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าจะมีอยู่ที่เกาะนี้แต่เพียงเกาะเดียวเท่านั้นเพราะเราจะพบอยู่ตามเกาะอื่นๆ อ, อีกทั้งในภูมินี้และในภูมิอื่นๆ อ, อีกด้วย ข้าพเจ้ายังไม่ได้เที่ยวชมทะเลมาแล้วครบทุกแห่งในโลกทิพนี้นอกจากส่วนที่อยู่ใกล้กับที่อยู่ของข้าพเจ้าแต่ก็เชื่อว่ายังมีเวลาอีกมากพอที่จะเที่ยวชมดูในโอกาสหน้าต่อไปอีกพื้นน้ำของทะเลที่นี่ส่งประกายระยิบระยับเป็นสีต่างๆอยู่ตลอดเวลาทะเลของเราในที่นี้ไม่มีลมพายุที่จะทำให้พื้นน้ำปั่นป่วนอย่างรุนแรงดังนั้นผิวน้ำจึงมีประกายใสยดุดกระจก กระแสะลมอ่อนๆเมื่อโชยมากระทบผิวน้ําจะทําให้เกิดระลอก น, น้อยๆส่งแสงสะท้อนเป็นสีต่างๆกันไปในที่แต่ละแห่งซึ่งเมื่อมองดูจากระยะไกลในบริเวณกว้างจะแลายเห็นเป็นเสมือนประกายจากเพชรเป็นลูกนับจํานวนไม่ท้วนฉะนั้นข้าพเจ้าเคยได้รับความตื่นเต้นในเมื่อได้เห็นการเล่นสีตัดกันของประกายแห่งพื้นน้ําเหล่านี้เมื่อตอนที่มาสู่โลกทิพย์ใหม่ๆอย่างไรแม้เดี๋ยวนี้ ทั้งที่เรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่มานานพอสมควรแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่หายตื่นตาตื่นใจเลยไม่ว่าคราวใดที่ได้เห็นประกายแห่งสีสันวันนะอัน ง, งดงามดุดความฝันเช่นนี้อันที่จริงก็ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นกับทุกทุกคนที่อยู่ในภูมินี้ความคุ้นเคยไม่ได้ทำให้เราคลายความตื่นเต้นไปได้เลยสมมติว่าเกิดมีใครคนหนึ่งเกิดความคุ้นเคยซสยจนรู้สึกชาชิน ต่อทัศนียภาพอันุดงามดุดความฝันเช่นนี้ก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีอะไรประหลาดประหลาดอยู่ในตัวมากทีเดียวในบรรดาเรือที่แล่นไปมาบนทะเลเหล่านี้หลายลำก็เป็นที่อยู่ไปในตัวเลยทีเดียวการที่บุคคลใดจะมีโอกาสเป็นเจ้าของเรือลำใดลำหนึ่งนั้นก็เป็นไปตามกฎแห่งความเป็นเจ้าของของสิ่งทั้งหลายในดนนี้คือเราต้องกระทำตนให้สมควรเสียก่อน สำหรับเรือขนาดเล็กลงมาชนิดที่ชาวโลกมนุษย์ใช้ลั่นในแม่น้ำนั้นเราก็มีไว้สำหรับท่องเที่ยวเล่นเป็นการส่วนตัวแต่ในการเล่นหรือท่องเที่ยวนี้ก็รับรองได้อย่างหนึ่งว่าจะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นเลยดังนั้นแม้เด็กเล็ก ๆ, ๆก็สามารถล่นเรือเที่ยวเล่นได้ตามลำพังอย่างสบายโดยไม่ต้องวิตกถึงอันตรายใดๆทั้งสิน้น มาเหตุผู้อ่านให้สังเกตนะครับว่าประโยคที่ว่าทุกคนยังมีความตื่นเต้นทุกครั้งต่อแสงที่แม้จะเคยได้เห็นมาแล้วข้อนี้เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าในภพภูมินี้ยังเป็นภพภูมิที่มีความยึดติดและมีกิเลสเหนียวแน่นอยู่มากยังมีความติดใครในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างเหนียวแน่นการติดใจในกามอารมณ์นั้น หากได้ศึกษาและฝึกฝนในการพิจารณามาก่อนยกตัวอย่างเช่นการพิจารณาอาหารของพระนะครับที่ว่าสักตะกินเพื่อประโยชน์ของร่างกายไม่ได้กินเพื่อเอาความอร่อยจิตที่ฝึกดีแล้วนั้นย่อมไม่เกิดความตื่นเต้นต่อรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งก็คงจะต้องไปอยู่สวรรค์ชั้นอื่นที่มีภูมิจิตภูมิธรรมเท่ากันนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็ต้องย้าไว้เสมอนะครับว่า เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภพภูมิหนึ่งของสวรรค์ในขั้นต้นๆเท่านั้นซึ่งยังมีอีกมากหลายขั้นหลายระดับหลายรูปแบบที่ท่านยังไปไม่ถึงยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะครับคำอธิบายเพิ่มเติมจากอาจารย์พรรัตนสุวรรณหมายเหตุข้อที่15เรื่องธรรมชาตินันสวยงาม ที่พันธนาไว้ในหนังสือโลกทิพย์เป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติในโลกทิพย์ที่สวยงามอันมีจำนวนมากมายจนไม่อาจจะเปรียบเทียบกับธรรมชาติในโลกมนุษย์ได้เลยปัญหามีอยู่ว่าธรรมชาติที่ว่านี้จะมีได้จริงหรือในดินแดนแห่งสวรรค์ต้นไม้แม่น้ำลำธารภูเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรข้าพเจ้าคิดว่าคาตอบในเรื่องนี้ นักธรณีวิทยาจะมองไม่เห็นแม้กระทั่งเขาหรือเงาแห่งความเป็นไปได้ของสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเขายังมัวคิดแต่ตามหลักวิชาที่เขารู้มาเพราะฉะนั้นถ้าหากใครจะคิดอย่างในธนองว่าน้ำในโลกนี้ภูเขาในโลกนี้ดินในโลกนี้เกิดขึ้นมาโดยมีหลักเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนี้การคิดแบบนี้ต้องเก็บไว้ก่อนเราจะต้องใช้ความคิดให้ไปไกลกว่านี้มาก คล้ายๆกับว่าเราจะต้องคิดไปให้ถึงว่าเมื่อเราอยู่ในอวกาศทั้งๆ ท, ที่ไม่มีแผ่นดินจะเหยียบแต่เราก็สามารถที่จะเดินได้ยืนอยู่ได้โดยไม่พลัดตกลงมาสู่โลกในเมื่อที่ที่เรายืนอยู่นั้นพ้นจากรัศมีแห่งความดึงดูดของโลกเรื่องทำนองนี้สมัยก่อนไม่มีใครนึกฝันว่าจะเป็นไปได้แต่เดี๋ยวนี้คนส่วนมากรู้แล้วว่าเป็นไปได้จากเรื่องนี้ท่านจะเห็นได้ว่า ถ้าเราคืนคิดอยู่แต่ภายในขอบเขตตามที่เคยรู้มาเท่านั้นถ้าสิ่งใดผิดจากหลักเกณฑ์ที่เคยรู้มาก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้คนที่มีนิสัยคิดแบบนี้นั้นยังไม่มีทางเข้าใจถึงธรรมชาติในโลกทิพย์ได้เลยเป็นอันขาดทั้งๆที่พลเหมืองในโลกทิพย์ซึ่งมีจำนวนมากกว่าคนในโลกนี้มากมายอย่างชนิดที่เทียบกันไม่ได้เลยคนในโลกทิพย์เหล่านี้ทุกคนยืนยันว่าในโลกของเขา ก็มีธรรมชาติต่างๆเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์และสําหรับโอปปาติกะที่เข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองดีก็จะสามารถแยกได้ทีเดียวว่าอันไหนเป็นธรรมชาติในโลกมนุษย์อันไหนเป็นธรรมชาติในโลกทิพย์โอปปาติกะประเภทนี้สามารถมองเห็นทั้งโลกมนุษย์และโลกทิพย์ในเวลาเดียวกันแต่โอปปปาติกะบางประเภทที่ไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องตัวของตัวเองเหมือนเด็กทารกที่เกิดมาในโลกนี้นั้น จะไม่อาจแยกธรรมชาติของโลกมนุษย์กับโลกทิพย์ออกจากกันได้อุปะปะติกะบางคนเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นอยู่เสมอในโลกของเขานั้นก็คือสิ่งที่มีอยู่ในโลกของมนุษย์นั่นเองซึ่งความเป็นจริงแล้วเป็นคนละอย่างเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้นขอให้นึกถึงหลักในคัมภีร์ไบเบิลที่กล่าวว่าแต่เดิมทีเดียวโลกนี้ไม่มีธรรมชาติต่างๆในโลกนี้ก็ไม่มี มีแต่ความว่างเปล่าแต่ครั้นแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ทรงสร้างโลกและสิ่งต่างๆในโลกขึ้นข้อความที่กล่าวไว้เช่นนี้ไม่ใช่เป็นข้อความที่ไร้สาระไม่มีมูลแห่งความจริงแต่นั่นแหละข้อความที่ว่านี้เราก็ไม่ควรจะถือเอาความหมายตามตัวหนังสือเพราะความหมายที่แท้จริงนั้นมีอยู่ว่าธรรมชาติในโลกมนุษย์ทุกอย่างรวมทั้งคนและสัตว์ทั้งหลาย สิ่งเหล่านี้เคยมีมาก่อนแล้วตั้งแต่โลกยังไม่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์มาจากโลกทิพย์ทั้งสิน้นโลกทิพย์เป็นต้นกำเนิดของโลกมนุษย์ความอัศจรรย์ในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จะเห็นได้ไม่ยากนักถ้าหากว่าเราจะเป็นคนช่างคิดและมีพื้นพอที่จะเข้าใจขอให้ท่านพิจารณาดูการเกิดของต้นไม้แต่เดิมต้นไม้เป็นแต่เพียงมเมล็ด ในมเมล็ดนั้นไม่มีลำต้นไม่มีกิง่งไม่มีใบไม่มีดอกไม่มีลูกแต่แล้วเมื่อมเมล็ดอันนี้ได้รับการเพาะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่สภาพของมันครั้งแรกเราก็จะได้ลายเห็นรากงอกออกมาก่อนต่อมาก็มีลำต้นกิง่งและใบต่อมาโดยลําดับขอให้พิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านี้ได้กําเนิดขึ้นมาจากสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นแม้จะผ่ามเมล็ดผลไม้ออกตรวจดูอย่างไรก็ตาม ก็ไม่อาจที่จะมองเห็นว่าจุดไหนหรือตรงไหนที่จะเกิดมาเป็นรากเป็นต้นหรือเป็นใบไม่ว่าจะใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยเหลือสักเพียงใดก็ตามก็ไม่มีทางที่จะมองเห็นได้เลยแต่ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ได้สมาธิขั้นสู ง, งจริงๆ จ, จะสามารถเข้าสมาธิไปตรวจ ด, ดูและจะบอกได้ทันทีว่ า, มาเมล็ดผลไม้อันนี้เมื่อโตขึ้นมาแล้วจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไร แม้ว่าจะไม่เคยเห็นเพื่อเช่นนั้นมาก่อนก็ตามการเห็นนั้นก็ไม่ใช่เป็นการนึกเห็นหรือวาดภาพขึ้นมาแต่ภาพที่เขาเห็นอยู่ในสมาธินั้นคือสภาพของมันจริงๆที่ยังอยู่ในลักษณะเป็นกายทิพย์และด้วยหลักเกณฑ์อันเดียวกันนี่เองพระพุทธเจ้าหรือใครก็ตามที่ได้อภิญยาชั้นสูงจะสามารถมองเห็นอนาคตและอดีตของคนทุกคนและแน่นอนเหลือเกินว่า ในสมัยโบราณยุคพระเวทก่อนสมัยพุทธกาลนั้นจะต้องมีบุคคลที่ได้อภิญญาและมีความสามารถดังที่กล่าวมานั้นเพราะแม้แต่ในคำภีพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาก็ยังมีเรื่องบันทึกไว้ว่าในอดีตก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกนี้ก็ได้มีฤาษีโยคยีหรือนักบวชที่ได้สาเร็จอภิญยามีอยู่มากมายและอีกอย่างหนึ่ง ควรจะจําไว้ด้วยว่าคนที่ฉลาดในโลกมนุษย์นี้หรือพวกอัจฉริยบุรุษซึ่งสามารถที่จะคิดหรือทําอะไรได้โดยที่ไม่เคยเห็นตัวอย่างหรือไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนั้น mm. ก็คือคนที่เคยมีความรู้ความสามารถอย่างนั้นมาแล้วตั้งแต่ในสมัยที่เขายังเป็นโอปปาติกะขอให้นึกถึงตัวอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะจุตติลงมาเกิดในโลกมนุษย์ความฉลาดความสามารถของพระองค์ อย่างที่มีอยู่ในโลกมนุษย์นั้นได้เคยมีมาแล้วตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังอยู่ในสวรรค์แต่ก็ควรจะเข้าใจไว้ด้วยว่าไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นคนหรือไปเกิดเป็นโอปปาติกะถ้าหากเราเป็นคนที่มีพื้นมาดียอมจะไปเพิ่มเติมเสริมต่อจากทุนที่มีอยู่แล้วให้เจริญยิงย่งขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าความสามารถอันใดที่เรามีอยู่ในโลกมนุษย์นั้น ทุกอย่างเป็นสิ่งที่เคยมีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยู่ในโลกทิพย์หมายเหตุข้อที่16เกี่ยวกับเรื่องนกที่มีอยู่บนเกาะเต็มไปหมดนั้นเรื่องสัตว์เดรัจฉานที่มีอยู่ในสุขติภูมิและเป็นสัตว์ที่ไม่มีใครทำอันตรายและมันก็ไม่ทำอันตรายแก่ใครนอกจากนี้มันยังรู้ความคิด ของผู้ที่เข้าไปเยี่ยมเยียนมันอีกด้วยสําหรับสัตว์เดรัจฉานประเภทนี้ข้าพเจ้าเคยอธิบายให้ฟังแล้วว่าเป็นผู้ที่ไปจากมนุษย์บางคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ที่ตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานช่างมีมากมายเหลือเกินไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าก็อยากจะให้ท่านนึกถึงพระพุทธพจน์ตอนหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าพิกสุทธ์ทั้งหลายในชมพูทวีนี้ส่วนที่รื่นรมป่าที่รื่นรมแผ่นดินที่รื่อนรมสระโบกกรณีที่รื่นรมมีน้อยส่วนมากมีแต่ที่ดอนที่ลุ่มที่ซึ่งมีแต่น้ำสัญจรไปมาลำบากและที่ซึ่งมีแต่น้ำมีแต่ต้นไม้และภูเขาข้อนี้ฉันใดมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน ที่จุติจากมนุษย์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นมีน้อยมากส่วนมากเมื่อจุดติจากมนุษย์แล้วก็ไปเกิดในนรกในกำเนิดเดรัจฉานในกำเนิดเปรตข้อความจากอังกุตรณนิกายเอกานิบาตพระไตรปิดกเล่มที่ยี่สิบจากพุทธพจน์บทนี้ก็แสดงให้เห็นว่า คำอธิบายของท่านโอปปาติกะองค์หนึ่งที่กล่าวว่าสัตว์ดเดรัานเหล่านี้ไปจากมนุษย์นั้นน่าจะเป็นความจริงอันหนึง่งถ้าหากท่านเข้าใจคำอธิบายซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าธรรมชาติทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ล้วนแต่ได้กำเนิดมาจากโลกของโอปปปาติกะทั้งสิน้นคืออะไรที่มีอยู่ในโลกมนุษย์นั้นล้วนแต่ได้เคยมีอยู่ในโลกของโอปปปาติกะ และข้าพเจ้าก็ได้ให้ข้อคิดไว้ด้วยว่าขอให้เปรียบเทียบการเกิดของต้นไม้ซึ่งได้กำเนิดมาจากสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นเรารู้กันแต่เพียงว่าทุกอย่างของต้นไม้จเจริญเติบโตมาจากเชื้อของมันซึ่งมีอยู่ภายในเมล็ดแต่เชื้อที่ว่านี้ซึ่งทางวิทยาศาสตร์เรียกว่ายีนนั้นก็เป็นแต่เพียงสมมติฐานคือโดยความจริงแล้ว นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่อาจที่จะมองเห็นได้แม้ด้วยกล้องจลุลทรรศน์อย่างดีและในทรรนองเดียวกันเมื่อเรามองดูการเกิดของคนซึ่งในเมื่อเราเข้าใจเรื่องของโอปปาติกะดีอยู่แล้วเราก็จะเห็นได้ชัดว่าสภาพของร่างกายโดยส่วนใหญ่ได้กำเนิดมาจากกายทิพย์และถ้าจะมองดูในมุมตรงกันข้ามกล่าวคือคนเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นโอปปาติกะ ซึ่งมีร่างกายเป็นทิพย์ทันทีเราก็จะเห็นได้ชัดว่ามนุษย์ได้เอากาเนิดมาจากผู้โอปปาติกะแน่นอนความหมายอันนี้เองที่ในคำพีคริตสต์ศาสนาได้กล่าวไว้ว่าแต่เดิมทีเดียวโลกนี้ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ไม่มีรันแล้วพระเจ้าซึ่งมีสภาพเป็นวิญญาณก็ได้ทรงสร้างโลกและสิ่งต่างๆในโลกขึ้นมา ข้าพเจ้าคิดว่าคำตอบดังที่กล่าวมานี้น่าจะเป็นคำตอบที่อธิบายถึงเรื่องการสร้างโลกได้เป็นอย่างดี